ทสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสันสนีนาคพงนะคะขอกล่าวคำสวัสดีปีใหม่กับรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 เป็นวันที่บางคนอาจจะยังไม่ได้หลับเลยนะคะตั้งแต่ปีเก่าบราอยากจะนอนข้ามปีในขณะที่หลายๆคนเขาไปสวดมนต์ข้ามปีกันข้ามปีมาแล้วไม่ว่าท่านจะหลับเมื่อคืนหรือยังไม่ได้หลับอย่าเพิ่งหลับ ถ้ายังไม่ได้หลับนะคะมาฟังรายการนี้กันให้จบก่อนเพื่อที่ท่านอาจารย์พิบูรณ์พี่ปุณโนวัดป่าดอนไฮโซดรธานีซึ่งเปิดทำที่ถูกปิดให้กับพวกเราเป็นประจําไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปอย่างไรเก่าๆใหม่ๆท่านทําสม่ําเสมอหมดเนี่ยนะคะจะมาให้อะไรที่เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับพวกเรากันกราบนมัสการครับท่านคะเชยบาค่ะของขวัญปีใหม่ใช่ปีใหม่เนี่ยเขาจะนิยมส่งความสุขกัน แล้วก็เรื่ส อ, อสอสส่งความสุขในปีใหม่นะส่งความสุขเนี่ยเรามาทําความเข้าใจนิด น, นึงกับเรื่องของความสุขก่อนแต่พนะระเจ้าพูดถึงว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขแต่ถางานถึงจะสร้างบุญให้เป็นการส่งความสุขคือคือถ้าเราส่งความสุขกันด้วยสิ่งของใช่ไหมให้ของขวัญให้รอยยิ้มอะไรต่างๆพวกนี้ก็ก็ดีในระดับหนึ่งใช่ไหม เ, เป็นการแบบว่าให้ความสุขที่เรียกเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเป็นความสุ ข, ขระดับที่1 ทนี้ความสุขระดับที่มันลึกลงไปกว่านั้นอีกนั่คือความสุขที่เกิดจากในภายในคือเรื่องของสมาธิแต่นี้สมาธิมันให้กันไม่ได้สินะัคือธรรมาไม่สามารถจะทำเป็นแพ็กเกจแล้วก็เปิดออกปุ๊บอันนี้วิ่งเข้าไปในจิตของท่านผู้ฟังจิตของคุณโยมติว๋วปุ๊บจิตเป็นสมาธิตันติว่าสแปปี้มากมันทําอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหม <Okay. S 1> ก็สามารถที่จ ะ, ะที่พระาตรัสถึงก็คือการส่งกระแสของความรักความเมตตาไปได้นะบุคคลมี ได้ได้รับกระแสความรักความเมตตาได้ก็ก็จะจิตใจน้อมไปในทางที่เป็นกุศลนะหรือว่าเราจะสร้างความดีด้วยการที่พูดดีคิดดีทําดีนการพูดดีคิดดีทําดีเนี่ยทำให้เกิดบุญตัวเรามีบุญแล้วเราจะมีกระแสความรักความเมตตาแผ่ออกไปอยู่แตบุคคลนั้นก็ก็จะได้รับความสุขจากเราได้นะเหมือนกับเราอาจจะเคยอยู่ใกล้คนเนี้แหมเรู้สึกสบายใจแต่เขายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเออลักษณะเนี้ยก็การส่งความสุขจริงๆเลย ่เซึ่งซึ่งเราทำได้ด้วยการที่คิดดีพูดดีทำดีจะเป็นการสาง ค, ความสุขกันแน่นอนนั้นกำลังะจะสรุปว่าของขวัญปีใหม่ที่ท่านอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนวัดป่าดอนไยโซอุดรธานีวิทยากรประจารายการได้มอบให้กับท่านเนี่ยเป็นการที่มอบสองต่อเลยนะคะคือเหมือนกับว่าให้ท่านรู้วิธีที่จะสร้างความสุขซึ่งเป็นความสุขพิเศษ ที่ให้กันไม่ได้จึงต้องใช้คํามาสร้าง ใ, ให้ทำสมาธิใช่ไคะเสร็จแล้วเมื่อทําสมาธิจนจิตเป็นสมาธิแล้วท่านสามารถจะส่งต่อเนี่ยะเป็นอีกทอดหนึ่งความสุขนี้เป็นกระแสะออกไปเป็นความรักความเมตตาให้กับคนอื่นคนที่ได้รับจิตใจของเขาก็จะได้รับปฏิกิริยาจากกระแสะความสุขนี้หรอคะถูกต้องที่อบอกว่าจะคิดไปในทางเป็นกุศลใช่ หรือว่าให้เราพูดดีคิดดีทดําดีอย่าไปเผลอเล่นงานใครอืมเอ่อเราเร า, เราดูในมุมกลับกันสมมุติว่าเราทําไม่ดีสมมุติแค่เราด่าลูกอย่างเงี้ยปุ๊บเราเร า, เราแค่พูดไม่ดีเนะี่ยคนอื่นกระเทือนไปด้วยเข้าใจไหม ค, คนอื่นทั้งผัวทั้งอะไรกระเทือนไปหมดทีนี้ถ้าเราพูดดีคนอื่นก็ได้รับไปด้วยเหมือนกันมันมันทั้งทั้งดีและไม่ดีมันไปได้หมดอย่างงี้อ่า อ, อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องสบายนะคะ บางทีถ้าไม่กำกับเอาไว้ก่อนเนี่ยเผลอได้ได้ใช่ทงหลาเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่มีอะไรเร็วเท่ากับจิตของเราอีกแล้วเวลาโน่นนี่นี่นั่นมันกระทบเนี่ยนะเร็วยิ่งกว่าจรวดเลยนะคะท่านอาจารย์ตรงเนี้ยพระเจ้า <c oughs> จึงจึงให้เป็นผู้ที่คอยระวังอยู่เี่หมือนนักมวยตั้งกาดอยู่ตลอดระวังหมัดของข้าสึกเราจึงต้องตั้งจิตของเราให้ดีแต่คอยระวังไอ้เจ้าบึมบําบึมบํที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องระวังค่ะเท่ากับว่าพร ถ้าเป็นพรของพระพุทธเจ้าแล้วดีที่สุดคือเราต้องออกแรงหน่อยลงลงมือทำใช่ใช่ใช่ ค, คือคือการลงแรงตรงเนี้มันไม่ได้เหนื่อยนะคือบางคนคิดว่าทำํำทำอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยแต่ว่ามัมนมันเหมือนกับว่าพอเราทําเราได้ทำเนี่ยนั่นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเราเราจะได้ความสุขเราจะได้ความดีอันนี้คือมันไม่ได้จะเหนื่อยไงมันจะได้ดีนี่คือสิ่งที่ดี แต่ทีฉันเชื่อว่าวันนี้คงจะมีคนอิ่มเอิบใจเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยอดนิยมอย่างหนึ่งของชาวพุทธคือการสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมคะที่ฉันเห็นเขาเป็นแฟชั่นเลยใช่ใช่ก็ในความเห็นอรามาคิดว่าก็เป็นสิ่งดีที่ทำได้นะคือเมื่อห้าปีที่แล้วไม่มีนะเพิ่งจะมามีสักสามสี่ปีนี้เองใช่ค่ะ แล้วก็จะทําให้พระลําบากนิดหนึ่งอ่ะเพราะ <c oughs> ว่าเจริงๆพระก็จะไม่ได้มาเขาดาวกับใครอยู่แล้วอนะ <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> วัดเนี่ยอ่าแต่พอมีญาติโยมมาว่าจะทำไงเราก็ต้องไปทํากับเขาพาก็าทำอย่างเงี้ยมัน <c oughs> ก็เป็นเป็นเรื่องใหม่ไปที่นี้เราอาจจะคุยชา้าไปนิดนึงนะคะที่กิจกรรมเนี้ยเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ยึดติดอืม <c oughs> ว่าโอ้มันต้องแค่สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เท่านั้นนะอืม <c oughs> สมมุติที่ฉันถามท่านอาจารย์วันนี้ยจะไปทําคืนนี้เลยท่านบอกสวดมนต์น่ะดีแต่ลำบากพระหน่อยหนึ่งก็ไม่รบกวนพระตอนกลางคืนนําสวดนะคะจะให้ท่านช่วยแนะนําไม่ต่างแต่กลางวันเลยสมมุติว่าคนที่จะสวดเนี่ยท่านคิดว่าแนะนําให้สวดไหมและถ้านแนะนําให้สวดแล้วจะให้เขาสวดมนต์บทใดถึงจะดีที่สุดคะเรื่องการการสวดมนต์แก่ยาวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจําไม่ได้ก็แล้ว <c oughs> เรื่องการสวดมนต์การสาธยายมนต์เนี่ย มันมีข้อดีแน่นอน <Yeah. S 1> ในการที่เราจะทรงจํำคำของพระพุทธเจ้าไว้ในการที่เราจะท่องจําได้เนี่ยมันก็เหมือนกับมีอาวุธติดมือไวนะ้มีเรื่องราวนี้มาครบปุ๊บเราควักออกมาใช้ได้ทัทนทะีเพราะฉะนั้นเราจะามาทบทวนส่วดเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะแล้วก็ประเด็นคําถาม ท, ท, ท, ที่ถามว่ า, เ, าเราจะสวดบทไหนดีก็บทไหนก็ได้ที่เราจําไดนะ้ไม่มีปัญหาเลยเ อ, อย่างคุณโยมติ้วคล่องมากเลยอีตีปิโสใช่ไหม เราก็ส่วนนี่ต้องต้องแน่นอนต้องรู้ความหมายด้วยนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสวดแล้วนะคือการจะทรงอยู่ด้วยธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่ด้วยกิริยาแห่งการสวดพระเจ้าเตือนเอาไว้นะก็ต้องสวดแล้วต้องรู้ความหมายต้องเอาธรรมะนั้นมาทรงไว้ในใจด้วยและมีปีติมีสมาธิเกิดขึ้นเน้นตามที่เป็นจริงปล่อยวางได้จิตสงบลงไปแหมนเยียมะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเน้นเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ว่า ท่าทางหรือว่าบทที่ที่อาจมาจะมาเน้นที่นี่ไม่ใช่แต่สิ่งที่จะต้องเน้นก็คือผลที่คุณจะได้จากการสวดว่าให้คุณจําได้เปล่า1นสองจิตคุณเป็นสมาธิไหมสามเวลาที่คุณสวดแล้วคุณเข้าใจความหมายหรือไมอ่นนี้คือสิ่งที่ต้องเน้นแล้วถ้าคุณจะทําอะไรบทไหนเวลาเท่าไหร่วันไหนก็ตามเพื่อที่จะให้มันได้3 ส, สิ่งเนี้ยอันนั้นดีทําเลยไหวนะ เพนันถนาดบทไหนสมมติถ้าถนัดแค่อรหังสาัมมาสัมพุทโธพระกวาสวาขาโตสั้นๆเนี่ยนะคะ<ด>สุปฏิปันโนและความหมายเป็นเป็นยังไงนะคะถ้าจะสวดแค่สามันเนี้ยค่ะอ๋อสั้นๆเลยนี่นะค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาใช่ไหมอรหังก็คือเป็นพระอรหันต์คือผู้ไกลาจากกิเลสค ะ, ะสัมมาก็คือตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยมันความหมายลึกมากนะเอาแค่ว่าอรหังอย่างเนี้ยโอ้โ ห, โห ผู้ไกลจากกิเลสเวลามีอะไรมากระทบพวกมีผัสสะใช่ไหมกิเลสเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นในจิตแต่จิตของท่านเนี่ยไกลจากกิเลสนั่นะคืออยู่ติดกันก็จริงแต่ไม่เปื้อนกันเหมือนน้ํากับใบบัวนะมั น, ม, นมันอยู่ใกล้กันจริงแต่มันไม่เนื่องกันไม่คล้องกันนะจิตแบบนี้ดีมากนะอันที่2คือเป็นสัมมาสัมพุโทโธนะัเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะคือคนที่จะรู้ได้อย่างสมมติเราเ ร, าเราท่านท่านเนี่ย จะมารู้ตามพระพุทธเจ้าได้เราจะเรียกว่าอนุพุทธะใช่ไหมหรือถ้าคนที่มีความสามารถระดับรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าสอนคนอื่นไม่ได้ก็จะเรียกว่าปัจเจกพุทธะแต่นี้ตัวเองรู้ได้ด้วยมีความสามารถในขณะที่จะบอกสอนคนอื่นได้ด้วยอนนี้เยอะมากแต่ก็จะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะในความสามารถสูงขึ้นไปอีกในเป็นระดับนี้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญามิมุติโอ้ที่ถ้าจมาอธิบายนี่ก็ขอเวลาสักสาวัน แถวคอเอป็นสัปด า, าก่อนๆ<อ> ต, ต่อไปนะคะเอาสั้นๆก่ๆอนถึงบทถัดมานะก็สวักขาโตพะคะวตาธรรมโอนะสวากขาตาก็คือพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนะคือธรรมะนี้ต้องเป็นสิ่งที่พุเช่าตรัสไว้ดีแล้วเท่านั้นนะเป็นสวักขาโตก็คือที่ตรัสไว้ชอบแล้วอะไรนะธรรมะนั่นเองนะอะไรล่ะธรรมะแบบไหนที่จะมีคุณสมบัติแบบนี้นะก็คือรู้ได้เฉพาะตนนะเป็นของที่ ตรงจริงตลอดการแต่เป็นของที่ควรเชิญคนอื่นเข้ามาพิสูจน์แต่เป็นของที่เมื่อเราเอาน้อมเข้ามาสู่ตัวแล้วเราจะรู้ได้ด้วยเฉพาะตนได้ค่ะนะคือคุณสมบัติแบบนี้ธรรมังน้มัสสามินี้แปลว่าอะไรคะะก็คือขอนามสการเคารพพระธรรมนั้นขอทําความเคารพขอทําความสักการะในพุทธนั้นในธรรมะนั้นอย่างนี้นะสำคัญก็เหมือนกันก็คือพูดถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะที่เป็นหมู่ สง์ที่พรุทธเจ้านั้นอาศัยธรรมะของพรุทธเจ้านั้นสุปฏิปันโนสาวกสังโฆนะสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาวกสังโฆเป็นสงของพระพุทธเจ้านั้นนะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ายังไงเรียกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะก็พูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดถึงการบรรลุโสดาสกีธาอนาคาอรหัน์อย่างเงี้ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สมมุติว่าถ้าท่านสวดได้แค่ สามบทที่ว่านี้สั้นๆอหลังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตสุปฏิปันโนเนี่ยนะคะประโยชน์ที่เกิดกับตัวผู้พูด ผ, ผู้ผู้สวดนะคะความขลังก็ต้องเป็นอย่างที่ท่านพูดใช่ไหมคะมันต้องมีสมาธิในการสวดสวดแล้วเข้าใจสวดแล้ว อ, อะไรเห็นาจริงอปล่อยวางได้ค่ะอันนี้จะดีมากนะคะและบางคนอาจจะบอกว่า เห็นจริงได้อย่างไรก็ได้รู้ว่าพระพุทธองค์ของเรานั้นตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ไกลาจากกิเลสนะคะแล้วก็ส่วนพระธรรมของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัตวิดีแล้วเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตัวแล้วก็สุปฏิปันโนคือเรากราบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระพุทธองค์เป็นสมของพระพุทธเจ้าใช่นะคะดิฉันว่ามีประโยชน์ทุกบท คือเหมือนกับพอเราสวดเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเหตุใดเราจริงต้องศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยเพราะมีคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ดังนี้นี่เองนี่ก็อาจจะเป็นบทที่ท่านเลือกสวดแต่ถ้าท่านสวดเก่งสวดยาวกว่านี้ได้ก็ขอให้สวดอย่างที่ท่านพิบูลได้บอกก็จะเป็นประโยชน์สวดในคืนนี้เลยก็ได้นะคะได้ค่ะส่วนวเรื่องไปอินเดียอีกสักหน่อยค่ะเพราะยังไงท่านบอกว่าต้องตอบภายในวันอาทิตย์นี่ก็ล่วงมา วันอังคารเขาไปวันพุธเข้าไปแล้วเนี่ยนะค ะ, ะพูดถึงเรื่องอินเดียที่ว่าวัดป่าดอนไหโศกจะจะจัดไปอินเดียในเดือนมีนาคมวันที่ 1-11 ถึงสิมีนานะก็จะมีรายละเอียด ท, ที่ว่าสถานที่ที่ไปก็คงจะเหมือนทริปอื่นๆที่เข้าไปกันสีนะสังเวชนียสถานแล้วก็ยังรวมถึงเมืองสาวสถีเมืองนารันทาเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงนะเป็นไซ์ นอื่เช่นว่าที่ตรงนี้มีการสังคายนาเมืองราชเครืพวกนี้เราก็จะไปหมดถึงแม้จะไม่ใช่4ี่สังเวกก็ตามแต่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะไปหมดแล้วก็เราก็จะมีคู่มือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเอกสารซีร็อกนี่แหละนจากให้ทุกคนที่ไปเป็นการรวบรวมพระสูตรที่พระเจาตรัสไปที่ไหนที่ไหนนตามโลเคชั่นตามตำแหน่งซึ่งในพระสูตรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นระบบ2ภาษาให้เปรียบเทียบกันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นในแต่ละที่เราก็จะมีการที่นั่งสมาธิแล้วก็ให้ฟังพุทธพจน์ในแต่ละที่นั้นแล้วก็ปฏิบัติบูชาก็คือจะตามไอ้เจ้าเอกสารที่ที่เราแจกไว้ให้เ้าก็จะมีให้สาหรับเทียบเคียงด้วยค่ะที่สำคัญคือท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้มานานฟังท่านอาจารย์ไผบูลเนี่ยท่านไปด้วย ใช่ไหมท่านนันตไปอาจมาไปด้วยแล้วก็หลวงพ่อสะอาดที่เป็นอาจารย์ของอาจรมารก็ไปด้วยอ๋อค่ะค่ะนะคะก็กราบเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ท่านไพบูรเองเนี่ยถ้าดิฉันไม่ขยันขยอท่านจะไม่ยอมพูดเลยนะคะยังก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกเผื่อว่าจะมีผู้ที่ฟังรายการเกิดความสนใจและท่านก็ให้เวลาพวกเราในการตัดสินใจไม่นานนะคะวันอาทิตย์นี้เท่านั้นก็ขอให้เปิดไปที่เพียวธรรมะดอทคอม ตัวของที่ฉันเองเนี่ยถ้าหากว่ามีบุญจะได้ไปกับท่านนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ก็กลับเรียนเอาไว้ก่อนว่าพยายามอยู่ค่ะนะคะกลับมรณสการกันทั้งค่ะท่านผู้ฟังที่เครารพคะและนี่ก็คือรายการสันสนีสนทนาดาเนะะินรายการโดยสันสนีนาภงค่ะวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ทุกคนคาดหวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีในชีวิตนะคะคิดดีพูดดีทดําดีปฏิบัติตามธรรมของพระศ า, าสดานะคะวันนี้ท่านไปบุญก็ ให้ง่ายคิดว่าในวันปีใหม่เนี่ยเรามีของขวัญที่สำคัญก็คือมีความสุขที่เป็นความสุขสร้างได้ใครให้ไม่ได้ความสุขที่ดีมากนี้คือเป็นการที่เราปฏิบัติสมาธิจนเกิดความเป็นสมาธิเราก็ส่งกระแสแห่งความรักความเมตตา ออกไปให้กับคนอื่นได้ด้วยซึ่งจะได้ผลดีในการที่จะทำให้ผู้รับมีจิตน้อมไปในทางเป็นกุศลแล้วเราก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งพูดดีคิดดีทำดีนะคะต้องสั่งตัวของเราเองด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเราก็อาจจะเผลอเพราะจิตของเรานั้นเร็วนะคะได้รับอะไรกระทบปุ๊บบางทีอ ก, กุศลมันเกิดขึ้นได้ง่า ย, ายขอให้ท่านพบแต่กุศลขอให้ท่านมีชีวิตที่ดีด้วยการที่พยายามปฏิบัติตามคลองธรรมนะคะ วันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ